ธรรมะแท้อยู่ที่ไหนธรรมะแท้ก็คือใจคือกายของเราทีนี้ผู้ใดสามารถเอาดีกับกายกับใจเราได้อันนั้นเป็นคุณธรรมศีลก็เป็นคุณธรรมฐานก็เป็นคุณธรรมสมาธิภาวนารู้ธรรมเห็นธรรมก็เป็นคุณธรรมเพราะฉะนั้นกายใจที่เป็นธรรมแท้เป็นสภาวะธรรมเป็นสิ่งรู้ของจิต สิ่งระลึกของสติผู้บำเพ็ญเพียรภาวนาโลกทั้งโลกเป็นอารมณ์จิตของผู้ภาวนาผู้ภาวนาต้องศึกษาให้รู้ความจริงของโลกอย่างไรคือภาวนาภาวนาเนี่ยมันครอบจักรวาลหมดสวดมนต์ก็คือภาวนากำหนดลมหายใจก็คือภาวนาแต่ที่มาดูลมหายใจบ้าง บริกรรมภาวนาบ้างเพลงอะไรบ้างพิจารณาอะไรบ้างนี่มันแยกสาขาออกไปรวมทั้งหมดแล้วเป็นภาวนาทั้งสิ้นภาวนาแปลว่าอบรมบ่มนิสัยให้มีพลังใจแก่กล้าขึ้นให้เกิดปัญญาเมื่อสติเด่นชัดขึ้นมาเมื่อไหร่ปัญญาก็เกิดทีนี้คำว่าปัญญานี้ก็หมายถึงสติที่รู้ทันเหตุการณ์ แล้วสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่ได้หมายความว่าเกิดปัญญาแล้วจะนั่งเทศพระไตรปิฎกอยู่ตลอดคืนตลอดวันไม่ใช่อย่างนั้นมันหมายถึงสติว่องไวรู้ทันเหตุการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ฉับพลัน